ถ้าไม่รู้อดีตเลยนะแม้กระทั่งใช้ชีวิตแบบมนุษย์ธรรมดาก็ยากแล้วนะก็มาตรฐานของความเป็นมนุษย์ก็ตกลงผนจึงไม่เพียงพอจริงๆที่จะรู้แค่ปัจจุบันแต่ถามว่ารู้ปัจจุบันผิดไหมไม่ผิดแต่ว่ามันทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะมันก็ทั้งสามการและอีกอย่างหนึ่งไม่มีใครตามทันปัจจุบันโด ย, ย่างอย่างแท้จริงอะไรหรอก แล้วที่เจริญเนี่ยนะวิปัสนาเนี่ยต้องปัจจุบันนี้ใช่ตัวปัญญาเนี่ยนะต้องเจริญตอนนี้ปัจจุบันนี้แหละอันนี้ใช่ถูกต้องชาวนะทั้งหมดไปตามปัญญาเนี่ยนะปัญญาต้องเกิดร่วมกับชีวิตขณะ น, นี้ต้องมีปัญญาประกอบเจริญอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ถูกต้องไม่ผิดแต่ถ้าวิ่งไปตามหาอารมณ์ให้มันทันปัจจุบันนะ เหมือนเหมือนอย่างว่าสังเกตดูอีกในหนึ่งนะสมมติว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพงานแล้วแขกเนี่ยมาเป็นพันคนเนี่ยนะใครมาเราต้องวิ่งไปเสนอหน้ากับแขกทุกคนที่มาเนี่ยถามว่าเจ้าของงานจะเป็นยังไงไม่รู้เสร็จงานเปล่าไม่ทราบนะอารมณ์ทั้งหลายที่ไหลมาตามทาวารต่างๆก็ลักษณะเดียวกันเพราะอารมณ์เนี่ยนะที่จิตทั้งหลายที่จะรู้อารมณ์แต่ละทาวารอยู่ที่อะไร อาวชนะปัญจทวาราวชนะเนี่ยนะเมื่ออาวัชนะถึงจิตก็ก็รู้เนี่ยนะแต่เชื่อไหมใครที่อาวัชนะแป๊บเดียวเนี่ยหลายเรื่องพร้อมกันเขาเรียกว่าคนไม่ค่อยเต็ม น, นะคนฟุ้งซ่านว่างนั้นนะใช่ไหมยอยู่ๆแล้วอันนั้นก็คิดอันนี้ก็คิ ด, ค, ดคิดอย่างละนิดอย่างละหน่อยคิดไปเรื่อยเปื่อยพวกนี้ก็เรียกว่าฟุงา้งซ่านพันไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องของการวิจัยทั้งชีวิตวิจัยทั้ง อารมณ์อย่างเช่นว่าอารมณ์คือขันท่าอารมณ์คือท่าสิบแปดอารมณ์คืออายตนะสิบอันนี้ต้องวิจัยอยู่แล้วแล้ก็วิจัยแม้กระทั่งตัวปัญญาที่เข้าไปเข้าไปวิจัยนะพอวิจัยไอ้ข้างนอกเบ็ดเสร็จแล้วนะตัวปัญญาที่ไปพิจารณาก็หนึ่งในสังขารขันธรรมาธาตุธรรมายตนะเมื่อปัญญาเนี่ย เกิดขึ้นก็รู้ชัดถ้าตอนที่เจริญปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นตัววิจัยใช่ก็รู้ชัดว่าปัญญานี่เกิดขึ้นมาวิจัยปัญญาที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะจะบริบูรณ์หมายถึงว่าบรรลุได้บรรลุอริยมรรคเมื่อไหร่ก็รู้ชัดเนะเขาก็ทาปริญญากันอย่างนั้นถ้าไม่เอาปัญญามาทาปริญญาด้วยนะเราจะคนเจริญไม่ ว่าปัญญานี้ควรเจริญโดยอย่างไรแล้วปัญญาเนี่ยเขาจึงมาแบ่งประเภทเป็นประเภทกลุ่มหานะภาคิยะแปลว่าใกล้เสื่อมเต็มทีสองทิติภาคิยะเจริญเมื่อไหร่ก็ได้อยู่เท่าเดิมสามวิเศษภาคิยะเจริญตโตวันโตคืนว่าเจริญขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สี่นิพพทภาคิยะ ใกล้บรรลุแล้วหรือเกือบบรรลุแล้วนะเพราะว่าเป็นเป็นสัญญาปัญญาที่เป็นไปกับอาทีนวายานถ้าอีกเขาก็เริ่มช่างสองอย่างเนี้ยเมื่อเริ่มช่างทั้งฝ่ายวัตตะและฝ่ายวิวัตตะก็ค้นโครจรไปเรื่อยเพื่อจิตจะหลีกออกจากวัตตะเนี่ยนะนนถ้าไม่สั่งสมปัญญามาดีพอก็บรรลุไม่ได้แต่อย่าลืมว่าปัญญาอย่างเดียวบรรลุได้ไหม ไม่ได้เราอย่างที่กล่าวว่าการที่ใช้ของมีคมหั่นอะไรสักอย่างเนี่ยอาศัยคมใช่ไหมเป็นตัวหัน่นเป็นตัวตัดแต่ถ้าถามว่าปราศจากสานันปราศจากด้ามปราศจากอย่างอื่นได้ไหมเช่นมีดเช่นขวา น, นต้นเนี่ยนะไอ้ตัวที่ตัดจริงๆคือคมขวานแต่ถามว่าปราศจากตัวขวานปราศจากด้ามขวานปราศจากคนมีแรงที่จะยกขวานฟาดฝันเนี่ยเต็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้ฉันใดปัญญาอย่างเดียวบรรลุไม่ได้เพราะนั้น มักจึงมีองค์แปดเช่นชานมีองค์ชานก็มีองค์เช่นปฐมชานก็มีองค์ห้าใช่ไหมอินซีก็มีห้าพ่อชงก็มีองค์เจ็ดมักก็มีองค์แปดเขาเรียกว่าประกอบด้วยองค์น่ น, นะมนุษย์นี่มีองค์เท่าไหร่ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็มีองค์ห้าขาสองแขนสองหัวหนึ่งญี่ปุ่นไนหะไทยอ่ะบอกถ้าสามสิบสองจริงๆแล้ว สิองะนะต้องสี่สิบสองจึงจะอยู่ได้ถ้าแค่สาสิบสองนี่ไม่แน่ใช่ไหมถ้าเตโชธาตวิบัติวายโยธาตวิบัติอยู่ไม่ได้แต่ว่าที่สําคัญเวลาเขารักษาส่วนใหญ่จะรักษาสาสองให้มันอยู่ถ้าอยู่สาสิบสองแล้วอย่างอื่นไม่น่ามีปัญหาถ้าสามสิบสองยังมั่นคงอยู่นะแต่นี้ในสาสิบสองก็เอาตัวหลักๆ ก, ก่อนก็มารักษาตัวหลักๆชีวิตก็จะเป็นไปได้สากับสีนีห่หมายถึงอะไรครับอ๋อหมายถึง สาสสองก็อับผมคนเล็บฟันหนังเป็นต้นถ้าอาการสาสบสองส่วน4ี่บสองก็ธาตุสี่เนี่ยขยายเป็นสี่สิบสองนะก็นเมื่ออบรมปัญญาอย่างนี้นะถ้าคนไม่สั่งสมปัญญามาอย่างเพียงพอจริงๆเนี่ยยากถ้าไม่สั่งสมบุญมาอย่างเพียงพอจริงๆไม่สามารถที่จะออกจาก ว่าตาได้เปรียบเหมือนอย่างว่าคนที่จะว่ายน้ำข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่งได้เนี่ยนะจะต้องเป็นคนที่มีแรงมากจะต้องมีแรงมากมีองค์ประกอบมีอะไรเลยๆะอย่างถึงจึงจะว่ายข้ามได้ถึงจะรู้อยู่ว่ามีอันนะ่ะว่าที่ที่อยู่เนี่ยมันมีทุกมีโทษใช่หัหยแต่จะต้องมีเรียวมีแรงมากอย่างที่ผู้การว่าเมื่อกี้ก็ไม่ผิดอะไรว่าก็รู้อยู่ว่ามันไม่ดีแต่ว่ายังว่ายไม่ถึงเพราะอะไรเพราะขาดพละห้า พละห้าไม่ค่อยแข็งแรงอ่อนแอศรัทธาภละอ่อนแอวิริยะภละก็อ่อนแรงสติพละก็ไม่ค่อยมั่นคงสมาธิพละก็ไม่ค่อยดีปัญญาภละก็ไม่ค่อยต่อเนื่องเนี่ยนะก็งี้แหละมันอ่อนแอก็เลยไม่ค่อยถึงเนี่ยนะก็เลยไหลไปตามกระแส น, น้ำเป็นส่วนใหญ่แต่ก็คิดแล้วล่ะนะว่าเพ่งระยะไกลแล้วว่าจะต้องทำให้ได้เนะ่ พราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่ไม่ออกมันเดือดร้อนเนี่ยนะคือไอ้จิตที่น้อมอย่างนี้จะต้องมีบ่อยๆมีมากๆถ้าโอนตัวนี้ไม่ดีนะบรรลุไม่ได้หัันเขาจึงเจริญเรียกว่าสูตรเขามีตายตัวอยู่แล้วว่าอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะและก็ปฏินิสาาักะคือน้อมไปเพื่อการสลัดออกเนี่ย ก็5คำเนี่ยถือเป็นหลักข้อปฏิบัติต้องเจริญเป็นไปก็ไปสี่คำเนี่ยนะต้องเป็นไปตาม4คำเนี่ยเวลาเจริญเช่นเจริญปัญญาก็ตามเจริญสัมมาทิฏฐิก็ตามเจริญอะไรก็ตามต้องอาศัยวิเวกอาศัยวิราค้าอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละแปลว่าเจริญปัญญาโอนไปหานิ้พันเจริญปัญญาโอนไปหามัคคุนิพันเจริญอะไรก็ตามเถอะโอนไปหาสองฝั่งเนี่ยเออนไปหาสองตัวเนี่ยเขาถือตรงนี้ มาตรฐานนี่ไอืโอนไปหาวิเวกที่ไหนกูมันชูวัดป่าใช่ไหมอันนี้เน้น ตะทงางควิเวกน่นะวิกขำพนาวิเวกน่นะสมุดเชทาวิเวกนิสรณาวิเวกปฏิปฏิอะไรปฏิปัสสัทธิวิเวก ต่ทางคะเท่ากับวิปั ส, สนาพิคัมพณนะเท่ากับสมถะเจริญปัญญาอเ น, นี้ยโอนไปหาเนี่ยแล้วสองตัวเนี่ยนะโอนไปหาอันนี้อันนี้ก็อันนี้โอนโดยโอุปนิสัย หรือวงเล็บ อ, ลอะไรนะเต้าไม้กันแล้วกันเต้าไม้แล้วก็เจริญันเนี้ยโอนไปหานี้โดยอัธยาศัยอันนี้หมายถึงจุดมุ่งไมาย คือในระหว่างการเจริญเนี่ยนะตัวปัญญาก็คือปัญญาเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทปัญญาที่เกิดร่วมกับตาทางข่าประหารกับวิขำพนะประหารนั้นเจริญตัวปัญญาอันเนี้ยเป็นทั้งสมถาวิปัสนาโอนไปหาสมุเทเฉดคือมักอันนะน้อมไปหานิสระนคือนิพพานอ่อมายเวลาเจริญเนี่ยนะอุปนิสัยเนี่ยตั้งไว้เลยว่ากุศเหล่านี้ จงเป็นไปเพื่ออริยมรรคเหมือนกับอะไรนะฟังธรรมเพื่อให้มีปัญญานะฟังแล้วให้ปัญญาต้องโตขึ้นโตขึ้นสิอันนี้ลักษณะนี้เรียกว่าอุปนิสัยตั้งเอาไว้สมถาวิปัสนาตั้งเพื่อให้อริยมรรคอริยมรรคเกิดเป็นตัวแทงตลอดพระนิพพานมันมองว่าอุปนิสัยเนี่ยนะกุศลเป็นตัดใจแก่กุศลชั้นสูงนะนะกุสมถาวิปัสนาเป็นกุศลชั้นล่างๆใช่ไหมอริยมรรคนี้เป็นกุศลชั้นสูง เจริญกุศลเพื่อกุศลตั้งกุศลเพื่ออุปนิสัยแห่งมัค ก, ก, กุศลอย่างนี้เขาเรียกว่าอุปนิสัยปัจจัยเป้าหมายอันนะ้จุดมุ่งหมายที่สูงสุดที่จะต้องไปให้ถึงบรรลุคือพณนิพานนะนะอันนี้ตั้งตั้งอัธยาศัยไว้เลยว่าจริงๆแล้วต้องการออกจากเปรียบเหมือนว่าตัวอริยมรรคเหมือนเรือ นิสรณะณนิพานเหมือนฝั่งการเจริญวิปัสนาเหมือนการสะสมทรัพย์สะสมทรัพย์เพื่อซื้อเรือใช่ั้มจะได้อยู่ในเรือเลยอย่างนั้นไหมสมมติว่าปัญญาพวกนี้เป็นเหมือนทรัพย์สะสมเก็บเพื่อซื้อเรือเพราะเรือนี้จะเป็นตัวทำให้ข้ามไปถึงไปถึงถึงฝั่ง เพราะนักกุศลเนี่ยพัฒนาเพื่อให้ให้ซื้อเรือได้ให้ประกอบเรือจนสําเร็จเหมือนกันนะเมื่อประกอบสําเร็จแล้วจักถึงฝั่งเพราะนักอัธยาศัยของเขาจริงๆอ่ะต้องการถึงฝั่งอย่างที่เรียกว่ามาเจริญกุศลทุกวันอย่างายกว่าอย่างผู้การเนี่ยเจริญกุศลเพื่อให้มีปัญญาในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยต้องการจะหยุดอยู่แค่ปัญญาหรือรู้อยู่แล้วว่าปัญญาเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยสัมภาระมาก อาศัยปัจจัยเยอะเหลือเกินแต่จริงๆต้องการตนิี้ผานที่สงบประงับใช่ไหมแต่ว่าจะบรรลุนิพพานได้ต้องบรรลุอริยมรรคก่อนทั้นก็ตั้งเป้าหมายอย่างเงี้ยท่านเจริญปัญญาก็โอนไปอย่างนี้เรียกว่าเจริญสัมมาทิฏฐิอาศัยวิเวกอาศัยวิอาศัายวิเวกอย่างเงี้ยทีนี้เจริญปัญญาตัวนี้อาศัยวิราคะเพราะบางคนเข้ามาวิเวกบางคนทำว่าวิราคะก็จะกว็วิเวกห้าเหมือนกัน วิราค่าห้านิโรธะห้า 5. ปฏินิสักคะนี่แบ่งเป็นสองคือปักขันธนะอันนี้แปลว่าเล่นไปส่วนปฏินิสักฆะคืออีกในหนึ่งก็เรียกว่าบริจาคอันนี้หมายถึงละกิเลสเล่นไปเนี่ยเล่นไปที่ไหนเล่นไปสู่นิพพาน เจริญปัญญาเนี่ยนะล่นไปสู่นิพพานมุ่งละกิเลสเนี่ยนะมุ่งมงคลายกิเลสออกจากตัวอันนี้ยกมรคหนึ่งองนะแล้วมรคมีองแปดนะต้องให้ครบแปดแล้วแปดประชุมกันเมื่อไหร่จึงจักบรรลุเพราะนผู้ไม่สั่งสมบูรณ์มาไม่ใช่ฐานะที่จักบรรลุนิพพาน ก็แค่ทำความเข้าใจยังยากจะกล่าวไปยายถึงปฏิบัติเล่าแต่อย่าลืมว่านะถ้าสุตตามายะปัญญาไม่ดีแล้วจะไปเจริญว่ายังไงอแต่ถ้ายังไงยังไงก็เนี่ยถ้าไม่ใช่ของเธอทั้งหล า, หายก็ไปเจริญอย่างนั้นไว้ก็ได้คือกล่าวง่ายว่าการการเจริญที่วันน้องไปในวิเวกวิราคะนิโรธ ปิสิสักขันี้หมายความว่าผมจริงก็ถ้าเข้าใจดูในตัวหนึ่งก็หมายความว่าเหมือนกันใช่ไหมครับก็อันเดียวกันคือหมายความว่าโทษหมายควาเจริญไปเนี่ยเพื่อที่จะุเพื่อที่จะละคลายกิเลสอย่างหนึ่งเจริญพรหรือเพื่อมุ่งสู่พระนิพพานเจริญพรสละขันห้าอะไรอย่างนี้สมมติว่าเอาเนี่ยนะเจริญปัญญาเจริญปัญญาเพื่อปริญญาเนี่อีกในหนึ่งนะเพื่อปะหานะเพื่อ สัจเชกิริย า, าแลวก็เพื่อภาเวอ่ะ น, นะใครตั้งไว้อย่างนี้ก็ดีนี่ง่ายดีอ่ะ น, นะไอ้สูตรเมื่อกี้ถ้าเข้าใจยากนะเอาสูตรนีหมเอาใหม่อันนี้ง่ายวะใช่ก็ตั้งเป้าหมายเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ไม่เข้าใจก็เอาใหม่เพื่อเอาให้แทงตลอดอริยสัจให้ได้ อันนี้เขาเรียกว่าอภิสมัยสนะี่เนี่ยนะเพื่ออภิสมัยเพื่ออภิสมัยสี่หรือเพื่ออริยสัจสได้ซึ่งกันเดียวกันนะั่นแหละนะว่าปัญญาที่อบรมเนี่ยเพื่อปริญญาในทุก์ละสมุ ท, ทยัยทำนิโรธให้แจ้งเพื่อเจริญมัต ตั้งเป้าหมายลักษณะนี้แหละอีกไวยพจน์หนึ่งอีกคําหนึ่งคําว่าเจริญส ม, มาธิฏฐิอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเพราะฉะนั้นทุกครั้งปัญญาอันเนี้ยโอนไปเพื่อบรรลุอริยสัจเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะก็มีคําอีกคำหนึ่งคําว่าปฏิเวทเข้ามาใช่ไหมก็คำว่าปฏิเวทเข้าม า, ม า, า, มาก็คือบรรลุทุกด้วยการ ทำปริญญาบัลลุสโมทัยด้วยการลบาบรรลุนิโร ด, ด้วยการทําให้แจ้ง น, นะบรรลุมักด้วยภาวนาเพราะฉะนั้นก็จิตเนี้ยโอนไปหาสัจจะทั้ง4ี่อย่างนี้น้อมไปหาสัจจะสี่อย่างนี้ก็ได้ถ้าทักไม่เข้าใจคําว่าวิเวกวิราคะนิโรธาดูนะพิจารณาอย่างนี้เพื่อแทงตลอดอริยสัจสี่เพื่อจะทํากิจทั้งสี่เหล่านี้ก็ไม่มีปัญหาถ้าจเจริญแล้วไม่เกี่ยวกับวิเวกนิโรธะพวงนี้จะเป็นยังไงครับ ยกตัวอย่างหน่งไปพวกนี้ก็คือถ้าไม่น้อมไปในวิเวกอย่างเนี้นะครับคือเจริญไปเพื่อยอย่างอื่นยังมีไหมครับเคยรักษาอุโบสถไหมเคยครับแล้วคิดยังไงว่าขออุโบสถนี้จงหรือกอ็เออวันนี้วันอุโบสถก็รักษาไปก็เขาขว่า<ข>ได้บุญมากก็เลยเอามั่งก็น้อมไปในวิเวกหมายว่าเข้าไปหาเป้าหมายเมื่อไหร่คือน้อมไอ้ไคําว่าวิเวกเขื่อนนี่นะ ทั้งหมดเนี่ยเป็นอีกคําหนึ่งของคำว่าวิเวก ค, คือสิ่งเดียวกันเนี่ยเพื่อเขาไปรอบรู้เพื่อเขาไปละ อ, อ, อตั้งปเป้าหมายอย่างเงี้ยใช่เพื่อเขาไปเจริญูพูดอีกในหนึ่งเลยนะเราเคยเจริญปัญญาปัญญานี่เขาแบ่งเช่นสุตะมะยะปัญญาใช่เราอ่านพระไตรปิฎกทาไ ม, มคือคือโดยทั่วท่วไปเลยนะพูดถึงคนทั่วไปอ่ะมือสมัครเล่นอ่านพระไตรปิฎกเมื่อก่อนกันแล้วกัน คุณชูศรีตอนอ่านพระไตรปิฎกอ่านทาไมเนี่ยนะก็เลยงงไปหมดเลยนะก็เลยอ่านไปอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้อ่านเพื่อจะบรรลุอะไรแต่อ่านอยากรู้ว่าเขาว่าอะไรใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยอตอนอ่านจริงบางกลุ่มเนี่ยจะอ่านลักษณะนั้นแค่อยากรู้เขาว่าอะไรบ้าง อย่างเออเนี่ยเคยไปเจริญพุทธคุณไหมเคยเข้าว่าดีอ่ะนะก็เลยลองดูเข้าว่าเจริญแล้วสบายใจเราก็เจริญบ้างคือกลุ่มอย่างนี้แหละที่เรียกว่าไม่ได้โอนไปหาวิเวกอะไรเนี่ยนะก็คือเช่นว่าเช่นกําหนดลมหายใจนะอันนี้ชัดเลยเใจเข้าหายใจออกทําได้หนึ่งชั่วโมงบ้างสองชั่วโมงบ้างสามชั่วโมงบ้างสี่ชั่วโมงบ้างเลิกกาหนดลมหายใจ น้อมไปพิจารณาเริยสัตว์เลยไหมอะอันนี้พูดถึงทั่วทั่วไปเพราะฉะนั้นไอ้เจริญแบบนั้นแหละเรียกว่าไม่โอนไปหาการตรัสรู้เนี่ยนะก็อยู่กับลมอยู่งั้นแหละจนหลับไปตื่นมาก็อยู่กับลมต่อไปก็อยู่แค่เนี้ก็ไม่ได้คิดจะบรรลุคิดจะอะไรก็อยู่กับลมได้มันก็ดีแล้วนะทาะ น, นก็หยุดอยู่เท่านี้ไม่น้อมไปเพื่อทํากิจเหล่านี้อะไรเลยเนี่ยนะ ผมเข้าใจว่าเจริญปัญญาเพื่อน้อมไปในวิเวกพึ่งพึ่งเข้าใจวันนี้เพราะว่าแต่ก่อนคิดว่าเข้าใจนะแต่ว่าเข้าใจแล้วแต่ความจริงเราเรามีจริงนะแต่ว่าเราไม่รู้ไม่ไม่รู้ชื่อผมศึกษาพระตรปิฎกนี่นะะผมถามว่าศึกษาเพื่ออะไรผมศึกษาเพื่อผมจะทําปริญญาให้ได้ผมนึกได้ใจนะเพื่อที่จะค้นว่าเขาทาปริญญากันยังไงนี่อ่านเงาหมายความว่าเข้าไปใน เข้าไปในปริญญาณนั้นแล้วคนน้องเข้าไปจริงๆนะ <S <S> <S> <S พวกเนี้ <S <S> <S คือเอกยานนะถ้ารู้อันใดอันหนึ่งจริงมันจะรู้ทั้งสี่ถ้ารู้ปริญญาจริงจะต้องรู้ประหานะถ้ารู้ประหานะจริงต้องรู้เข้าคําว่าทําให้แจง้งถ้ารู้ทําให้แจง้งจริงต้องเข้าใจคําว่าเจริญเพราะจริ ง, <S <S> <S รงๆมันก็มันก็เครียกว่าจะว่าสิ่งเดียวกันแต่ก็มีความต่างกัน <S <S> แต่ทำกุศลประเภทไหว้พระธาตุนี่ก็ ตั้งจิตอธิษฐานขอได้ทําปริญญาให้เป็นใช่โดยที่สุดแม้กระทั่งอ่ะ น, นะโอล น, นะทานศีล ส, สุตะจินตะก็ก็โอนในลักษณะอย่างนี้แม้กระทั่งสมถะวิปัสนาทุกอย่างเนี่ยที่เจริญเนี่ยเอามาเข้าอันนี้หมดเลยแม้กระทั่งปีติอ่ะ น, นะถ้ายิ่งอันนี้ยกปัญญา ธรรมวิจยะสามโพชงวิริยะสัมโพชงปีติปัสสัติสมาธิอุเบคานน้อมมาในลักษณะคือฐานะสิ่งหลังล้วนั้นฐานะทางผ่าน น, นะมองว่าเป็นทางผ่านจะเชื่อมเพื่อการแทงตลอดโลกุตระคุณซึ่งอันนี้แหละที่เรียกว่าถ้ายังอะไรในกายกับชีวิตอยู่เนี่ยนะบนรรลุไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ว่าโอ้จเจริญซะจน ให้กายมันตายเร็วๆซะก็อันนั้นก็เกินไปอีกไม่ใช่อินทรีย์นี่สำคัญมากต้องปรับให้มันสม่ำเสมอเนี่ยนะก็กว่าจะสม่ำเสมอเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องระดับบรรลุนะอ่านยังรู้เรื่องยากเพราะมาอ่านในปฏิสัมพิธานแถวๆอภินญญะนิเทศตั้งแต่พูดอธิบายอาริยมรรคไปนะเชื่อไหมตาเราเนี่ยกวาดไปด้วยตานี่เห็นตัวหนังสือแต่มันไม่รับ เคยอ่านไหมคุณชูเคยอ่านมันไตาก็เห็นตัวหนังสือแต่ไม่รู้เขาว่าอะไรก่อนหม่รู้เหมือนเหมือนอ่านตัวอักษรโบราณหรืออักษรต่างประเทศที่เราไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะก็เห็นตัวอักษรละ่ะแต่ว่ามโนโวิ ญ, ญญาณไม่ทํากิจเลยนะมันลักษณะนั้นแหละอ่านออกสะกดได้เหมือนสวดมนต์สมัยเด็กๆอย่างนั้นเลย สามภูเทอัทวีสันจาธวาทสันจาออว่าไปกันคือมันเปรียบเทียบว่าสมัยก่อนที่เราเราเข้าใจว่าเราจเจริญเราจเจริญอธรรมะชั้นสูงเนี่ยนะฮะแต่เมื่อมาเปรียบเทียบว่าน้อมไปในวิเวกหรือเปล่านี่นะฮะก็การที่มีสติระลึกถึงสภาวะธรรมที่กําลังปรากฏอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้มีแนวโน้มอะไรจะวิเวกจะน้อมไปไ ห, ไหนเลยครับ กับจะไปรู้ว่าเอ้อสภาวะธรรมมันเกิดดับยังไงตรงนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวเลยครับกับวิเวกกับวิลาขะกับปริญญาปหารนะไม่มีเลยครับก็ไม่มีเลยก็ง่ายๆอย่างเงี้ยนะแต่ละคนก็ผ่านที่เรียกว่าปฏิบัติกันมาเยอะเนี่ยนะก็ทําจางวินิตอนนั่งสมาธิโอนไปไหมหาอย่างนี้ไหมตอนนั้นอ๋อนั่งนิ่งๆวันไหนนิ่งก็ดีใจเลื่อเนี่ย น, นะก็ดีใจที่าดรนิ่งๆก็ดีใจแล้วอ่านะ มุนชูตอนที่เจริญทั้งวันทั้งคืนเนี่ยโอนมาอย่างนี้ไหมโอนได้ไหมว่าตายเราคงไม่ทันปัจจุบันอ๋อมื่แต่งงอกเงกบ้างนะก็ไม่ให้มันทันปัจจุบันเลยก็หมายถึงโอนกันอ่ะนะก็ใครที่เจริญเจริญดูนะว่าเป็นไปตามนี้ไหมถ้าไม่เป็นไปตามนี้หรือว่าบางคนก็ว่าปริยัติก็อย่างปฏิบัติก็อย่างแล้วก็ฉลาดคิดเหมือนกันอนะฉลาดคิดที่ตัวเองจะต้องไม่ไม่ไม่คิดตามปริยัตเนี่ยนะซึ่งอย่าลืมว่าในยุคนี้นะปริยัติคือสารณะของเรา ถ้าเราไม่เป็นไปตามปริยัติธรรมนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงขอเจริญคารุณานั่นแหละ <c oughs> คือถ้าผูดด้ใดปฏิบัติแล้วโอนไปได้เนี่ยนะะก็มันมีเครื่องวัดว่าโอนจริงหรือเปล่าเช่นสมมุติว่าเพื่อเร า, าศึกษาธรรมะหรืออ่านพระไตรปิฎกนี่นะแล้วเราทำปริญญาได้ไ ด, ได้ได้คล่องขึ้นไหมมากขึ้นไห ม, ม, มแลวปัหานะเ น, นี่ยเราลดกิเลสอะไรได้บ้าง ลดความสงสัยได้บ้างเห็นแจ้งอะไรบ้างนิดหน่อยก็ยังดี<ช>เห็นตรงไอ้ข้ามอนิพ<ช>านของตรงไอ้ข้ามก็ยังดีใช่อย่างสมมตินะเราอยองต่างว่ากายแล้วละกิเลสอะไรเกี่ยวกับกายได้บ้างแล้วสมมตินะเช่นกายเยกายานุปัสสิวิหารติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติอะพิทากับโทมนัสในกายเนี่ยนะ เราลดไปปานใดรู้กายแค่ไหนอภิชาโทมนัสลดเท่าไหร่แล้วถามว่าตรงข้ามตรงข้ามกับกายเรานมโ น, ม, นมโอนโอนไปบ้างไหมเพราะกายกายยะสมุทัยกายยะนิโรธแล้วก็มรรคแปดนะใกล้จะประชุมหรือยังได้แปดข้อไหมมันก็มาไล่ดูนะ สัมมาทิฏฐิรัลยศาสตร์สัมมาสังกัปปะกุศลสังกัปปะสามสัมมาวาจาสัมมาวาจาสี่สัมมากรรมตะสามสัมมาชีวะเจ็ดสัมมาวายามะ 4, สี่สติปฐานสี่ฌานสี่เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปตามนั้นไหมอเอาคบาทศีลศีลมันดีขึ้นไหมก่อนนั้นนะก็ดูแนวโน้มเอากันล้กันคือ คือทางธรรมะนั้จริงๆเนี่ยถ้าเราไม่เข้าข้างอะไรตัวเองไม่ไม่ไม่บ้าอะไรเกินไปสักอย่างไม่เมาสักอย่างหนึ่งนะคาสอนเนี่ยตรวจสอบเราหมดแล้วเพียงแต่ว่าเราจะยอมตรวจหรือเปล่านะก็บอกว่าอะไรนะคนมาตรวจมีอคติบ้างคนมาตรวจไม่มาตรฐานบ้างอะไรบ้างก็เลยไม่ยอมให้ตรวจตัวเองเลยนะก็มีคนกลุ่มนี้ใช่ไหมไม่ยอมรับนะนะไม่ยอมรับเครื่องตรวจเพราะว่ากลัวจะเป็นเครื่องตรวจเก๊หรือเปล่าเนี่ยอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะก็ก็เลย ไม่ยอมรับแม้กระทั่งเครื่องตรวจเนี่ยนี่แหละไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเราเขาก็มาด้วยบุญด้วยกรรมของเขาอยู่แล้วล่ะเราไหนที พันก็แต่ละอย่างเราก็เรียกว่าวิ่งให้มันทันปัจจุบันนี้นี่นี่มันนึกรูหรือเปล่าเนี่ยคือเรียกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะไอ้วิจิกิจชาเนี่ยก็เริ่มแล้วสงสัยแม้กระทั่งในสิษยาเบื้องต้นแล้วแม้กระทั่งในสุตตะเราก็เริ่มสงสัยนะสังเกตดูวิธีเจริญดูนะคือเราเรามีกฎเกณฑ์ตั้งให้ตัวเองนะเนื่องจากคนอื่นเข้ามาตั้งกฎให้เราอ่ะนะเราก็เลยถือระเบียบอันนั้นเอาไว้อย่างดีเลยนะเคร่งครัดมาก